ขอความสันติความชำเริญจาอัลลอฮได้โปรดประสบเดียวพี่น้องผู้ที่มาศึกษาในวันนี้ทุกท่านในช่วงของวิชาตับซิดนะครับเราอยู่ในซุรายยูสุฟวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้หกอายะ นะครับเยอะนิดนึงเพราะว่าอายะไม่ยาวสุรยูซุฟอายาที่ห้าสิบสองถึงอายาที่ห้าสิเจ็ดสยุซุฟนะครับห้า3ิบ 55, 5ห้า6ิบสาห้าิสี่ห้าสิบห้าห้าิบหห้าเจ็ดหอยนะเนื้อหาคร่าวๆ ข, ของ 6อายานี้เนี่ยนะครับคือกลาก่กลาวเกี่ยวกับประวัติช่วนหนึ่งของท่านนาบิยูซุปในฐานะที่ออกจากคุกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลคลังของประเทศเพราะว่าวิกฤตกำลังจะเข้ามาสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านนาบิยูซุฟเรียกร้องให้กษัตริย์ทำการฟื้นคดี สอบสวนคดีที่เกิดก่อนหน้านี้ว่วทำไมยูซุปถึงอยู่ในคุกนะครับคนลรผมพูดพูดยูซุฟธรรมดานนจริงๆคือท่านจียูซุฟอลัยฮิสาลามโดยมารยาท ต, ต้องพูดทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางทีในการสอนเนี่ยเออไม่ได้พูดทุกครั้งนะครับก่อนจะรับตำแหน่งพี่น้องผมทวนคดียูซุปอีกครั้งหนึ่ง คดีของท่านนาบิยูซุปอะเลฮิสลาห์นะเข้าๆทราบกันดีนบิยูซุปติดคุกคาถามก็คือว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยนาบิยูซุปก็ไม่ได้ล่วงเกินนางซูไลคอทําไมถึงติดคุกนะแล้วทําไมเวลาที่กษัตริย์เชิญตัวนบิยูซุปออกจากคุกเนี่ยนบิยูซุปถึงบอกให้กษัตริย์ไปถามผู้หญิงในเมือง ผมจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับคดีนบียูซุปนะครับเพราะเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับคุกแล้วจะไปข้างหน้าต่อแต่ก่อนที่จะไปต่อทวนประวัติดนหนึ่งคดีนบียูซุปเนี่ยนะครับมีหลายประเด็นน่าศึกษามากพี่นอ้องจริงๆแล้วเนี่ยยังทันสมัยอยู่นะคดีนบียูซุปยังทันสมัยอยู่นบียูซุปต่อไปจะได้รับตำแหน่งทางการเมือง เป็นผู้ดูแลคังแล้วก็มีคดีติดตัวเวลาที่จะขึ้นมารับตำแหน่งต้องทำยังไงในการเมืองปัจจุบันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้าพี่น้องไปดูการเลือกตั้งที่มาเลเซียเนี่ยมน่าสนใจมากเรามาเปรียบเทียบกับประวัตินบียูซุปดูในบียูซุปเนี่ยตอนที่นางโเคอวิ่งปั้มเนี่ยนะครับล่วงเกินเนี่ย ฉีกเสื้อฉีกผ้ากันนะนายยูซุปโดนฉีกแล้วก็อัซีซซึ่งเป็นสามีเนี่ยก็ทราบดีว่านายยูซุปไม่ได้ผิดมีทั้งพยานคือเสื้อที่ถูกฉีดขาดแล้วก็มีชาฮิดมีพยานของนบยยูซุปเป็นเด็กที่อยู่ในเปรแล้วก็พูดได้ยืนยันว่ายูซุปไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้ผิดแล้วเนี่ยแล้วทําไมยูซุปต้องติดคุกอันนี้คือคําถามประการที่หนึ่งนะครับ <S <S ในอายะห์ก็วาอ่านเนี่ย ฉเฉลยไว้คดีนย บ, บิยูซุป2000นักในอายะที่32พี่น้องกลับไปอ่านดู32จริงผ่านมาแล้วนะครับคำถามที่หนึ่งน บ, บิยูซุปไม่ได้ผิดแล้วทำไมต้องติดคุกเพรอ่านฉเฉลยก็คือว่านางสุไยคอบอกว่าว่าละอินลยัก์ยัฟอัลมาอารมฮูละยุสญานันนะนางสุไยคอบอกว่าถ้ายูซุป ไม่ทำตามสิ่งที่ฉันพูดฉันจะเอาเขาเข้าคุกแต่ว่านาบียูซุปติดคุกไม่ใช่เพราะความผิดแต่ติดคุกเพราะสุไลคอนักประวิศาสตร์มองว่านาสุไลคอวางแผนให้นบียูซุปติดคุกรายละเอียดวางแผนยังไงก็ว่าเราอาลำ้ำนะบ้างว่าก็ไปไปอะไรละ ไปก่อมสามีใช้อำนาจในทางที่ผิดอะไรก็แล้วแต่ถูกเล่นงานโดยนางสุไลคอ ท, ท, ท, ทั้งที่ไม่ผิดฉะนั้นทำไมนบียูซุพถึงติดคุกคไม่ได้ผิดแต่ติดคุกเพราะพ่อนางสุไลคอทำยังไงก็แล้วแต่นะดันนบียูซุพไปอยู่ในคุกได้นี่คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองนบียูซุพติดคุกกี่ปีนักต่อสิทมีความเห็นต่างกัน นะครับในอายะครอ่านที่พูดชัดๆเนี่ยมีอยสองอายะอายะที่สามสิบห้าพูดชัดๆไม่ได้บอกว่ากี่ปีนะแต่พูดเกี่ยวกับระยะเวลาที่อยู่ในคุกลายสยูนันนาหูฮัตตาฮินนะยูซุจะติดคุกฮัตตาฮินแปลว่าช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้กำหนดเต้เนเตนะหลังจากติดคุกไปแล้วเนี่ยต่อมาในอายะที่สี่สิบสอง นะครับน บ, บยูซุปช่วยทำนายฝันให้กับเพื่อนสองคนที่อยู่ในคุกคนหนึ่งจะพ้นคุกกลับไปทำงานใกล้ชิดกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนาย บ, บียูซุปบอกว่าให้เอาคาดีของฉันไปบอกกับกษัตริย์แต่ว่าคนคนนั้นลืมนะอันนี้อยู่ในอายาที่สาสิบสองฝันลาบิซาฟิซิจเน่นะครับและยูซุปก็อยู่ในคุกบิดอาซีนีนอีกหลายปีการติดคุกเนี่ยมันมีมีสองช่วง ช่วงที่หนึ่งฮัตตาฮีนเป็นคดีซึ่งบางคนบอกว่ามาได้กำหนดโทษว่าติดกี่ปีติดระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ฝากเพื่อนในคุกออกไปบอกกษัตริย์คนที่ฝันว่าได้กลับไปลิ่นเล่ากษัตริย์อีกครั้งเนี่ยนะครับแต่คนนั้นน่ะลืมลาบิซ่าอยู่ในคุกตอนบิดอารซินินอีกหลายปีคำถามคือดา บ, บีอยู่ในซุกิด บ, บียูซุอยู่ในคุกกี่ปี มีตั้งแต่ความเห็นนะครับ5ปี7ปี12ปีว่าเราอาลัมวสมากบอกว่า7ปีอ้าวต่อมานี่เป็นคดีน บ, บีซุบนาะพูดได้ฟังต่อมาทำไมตอนที่กษัตริย์เนี่ยนะครับส่งตัวแทนมามหาด บ, บียุซุบติคุกแล้วก็เอาออกเชิญตัวออกไปนบีซุบบอกว่ากรรยื่ออิลลัร บ, บิกาให้กลับไปหากษัตริย์ใหม่ ฟาสอัลฮูมาบารุนิสวรตินและตี ก, ก็ต่อหน้าไอเดียหุ่นนะ่ะนบียุซุฟบอกว่าให้ไปหากษัตริย์แล้วก็ไปสืบคดีที่ผู้หญิงในเมืองนั้นทําไมเอ่ยเอามีดเฉือนนิ้วตัวเองเวลาจะฟื้นคดีทําไมต้องทําไมเอ่ยทําไมต้องกลับไปหาเหตุการณ์นั้นตอนที่ผู้หญิงเอามีดเฉือนนิ้วตัวเองเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยผู้หญิงในเมืองเป็นพย า, ใ น, านให้นบียุซุฟ พยายว่า น, ะนางสุไลคอพูดแบบนี้นางสุไลคอแค้นใจที่ผู้หญิในเมืองเอาคนไปไปลือกันว่าตัวเองแล่ปัําเด็กในบ้านตัวเองก็เลยเชิญผู้หญิงในเมืองมาทั้งหมดแล้วก็แจกมีดแล้วก็มีเห็นนบิยูซุบมีดบาดนิ้วนะครับเฉือนนิ้วกันในวันนั้นนางสุไลคอบอกว่ากอลัตหลังจากผู้หญิงเอามีดเฉือนนิ้วตัวเองเพราะตะลึงในความงามของนบิยูซุปกอลัตนางสุไลคอบอกว่า ฟาดาลิกุนนั่นละดีลุมตุนนานีฟีฮีนี่แหละคือสิ่งที่พวกเธอเนี่ยนินทาฉันว่าฉันหลงผู้ชายอะไรปั๊มผู้ชายขณาพวกคุณเห็นยูซุปยังตะลึงขนาดนี้รู้ได้ไงตะลึงมีดบาดนิ้วทุกคนนี่แหละสิ่งที่คุณว่าฉันว่วเราก็รอวัตตุหูอันนับซีฮีฉันยั่วยวนยูซุป พูดต่อหน้าผู้หญิงในเมืองทั้งหมดว่าฉันเคยยุ่ยโนยูซุปใครจะมาโยยโยนคุณก็เป็นเหมือนฉันเตลึงในความงามเหมือนกันคําพูดตรงนี้พูดในหมู่ผู้หญิงในเมืองทั้งหมดนบิยูซุปก็อยู่ด้วยฉะนั้นเวลาที่กระสับมาเนี่ยนบิยูซุปถึงบอกว่าคดีนี้ถ้าจะฟืน้นให้กลับไปถามผู้หญิงในเมืองเพาราะนายสุไลคอพูดต่อหน้าคนทั้งหมดว่าเราก็รว่าตัวอันนับสี่ฉันนี่แหละ ย, ยุยโยนก็เอง ฟาสตาซอมะแต่เขายับยั้งตัวเองเขาไม่ตามคำเย่อยวนฉันยืนยันว่าตัวเองทำผิดและนบียูซุปเป็นผู้บริสุทธิ์อ่าอันนี้คือคดีนบียูซุพูดได้ฟังว่าทําไมต้องเวลาสืบคดีต้องไปสืบที่ผู้หญิงในเมืองเพราะผู้หญิงในเมืองน้นหมดเป็นพยานได้ให้การในวันนั้นนี่ผ่านมาหลายปีแล้วจนกระทั่งวันบียูซุมีโอกาสได้ออกจากคุกนะ นอันนี้มีคนถามว่าช่วงนางสุไล่สามีตายใช่ไหมว่าเราอาลัมนะครับก็มีคนพูดว่าตอนที่อับดุียูซุปเนี่ยขึ้นมาเล่ตําแหน่งเนี่ยสามีเสียบดีแล้วก็มาแทนที่ตําแหน่งว่าเราอาลัมอันนี้เป็นความเห็นของนักประวัติศาสตร์จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะไม่ส่งผลต่อการศรัทธาอา้าวหลังจากนับียูซุปพ้นคุกมาแล้ววันนี้มาดูเนื้อหาในวันนี้ครับอายาที่5้บส เวลาจะพ้นคุกเนี่ยดีซุบอกแบบนี้ครับดาลิกาลิยะละมาอันนีลำอคุณฮูที่สืบคดีที่ทํำนู่นทํำนี่ทั้งหมดเนี่ยทําไมเอ่ยเพื่อที่จะให้เขาทราบว่าฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาบินรอยรับหลังหนาะไม่ได้ทรยศรับหลังเขานโนาาา อ, อ, าออันนนลอลอฮลาระยะไกลด้านคอไอตึกไกลด้านคอไอนีนแล้วอันนั้นทําไมเอ่ย ไม่ชี้แนะกลยร่งคออินีนินแผนการของคนที่ทรยศคำพูดนีมีประเด็นพี่น้องใครเป็นคนพูดนักตักซีส่วนมากบอกว่าคนที่พูดประโยคนี้คือนบียูซุฟอลัยฮิสสลามเพื่อให้ทราบว่าฉันไม่ได้ทรยศเขารับหลังแปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทำไมเอ่ยนบียูซุฟ ไม่ได้ล่วงเกินภรรยาของนายตัวเองนะฉันไม่ได้ทรยศเขานี่ความเห็นนักตบซีส่วนมากบอกว่าเป็นคําพูดของนบียูซุฟแล้วเขาก็คืออาซีสเจ้านายนาบียูซุฟนักตบซีสส่วนน้อยเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนพูดเหมือนกันว่าคําพูดนี้เนี่ยทำไมเอย่ยเป็นคําพูดของนางซูไลคอฉันไม่ได้ทรยศเขาเขาตรงนี้กลับไปที่นบียูซุฟ อ่ามีสองความสองทัศนะแต่เราผมมากันไม่ใช่เรานะครับเอาทัศนะส่วนมากแล้วกันนี่คือคําพูดของนาย บ, บิยูซุฟนะเจ็ดปีผ่านไปแล้วนาย บ, บิยูซุฟต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าวันนี้ออกจากคุกไม่ใช่เพราะกษัตริย์ช่วยออกจากคุกเพราะตัวเองบริสุทธิ์ไม่มีความผิดทําแบบนี้ทําไมละ่ะหนึ่งน่าจะพิสูจน์ตัวเองแลว้ว เพื่อเป็นการยืนยันว่าฉันไม่เคยทรยศต่ตอเขาเขาคือเจ้านายของนบียูซุปเชื่ออาซิซก็อ่านจะคำว่าอาซิซเป็นคนที่ซื้อนบียูซุปมาแล้วก็สั่งภรรยาคนในครอบครัวว่าดูแลเด็กคนนี้ให้ดีให้เกียรติ น, านาบียูซุปเป็นคนดีนะครับนบียซุปมันบอกว่าคนที่เป็นคอยอินีเนี่ยคนที่คดโกงทรยศทาไมเอ่ยมักจะวางแผน ไปตรงๆไม่ได้เพราะจะไปตรงๆมันผิดวางแผนแต่ว่าอัลลอจะไม่นำทางแผนการเหล่านั้นพูดถึงประเด็นคดโกงพี่น้องดูในข่าวสิโกงกี่จังหวัดละ่ะงบประมาณคนจนคนจนเนี่ยโกงกับทั้งประเทศเอาเงี้ยกันนะคือจะกโกงเนี่ยลักษณะนหนึ่งก็คือว่าต้องมีไกด์ไกด์ในที่นี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไกด์แปลว่าแผนการ โกงเรามีแผนการนะครับแต่ว่าแผนการเหล่านั้นสักวันจะถูกเปิดเผยเพราะว่าอินนัลลอฮ์ละย่ดีไกดันคอยอินินแผนการเหล่านั้นอัลลอฮ์อัลลอ์ไม่ให้ทางนำไม่นำทางนะนอกจากนี้ในอายะ์ที่ห้าสิบสามเนี่ยนะครับนบียูซุฟกล่าวต่อไปว่าอันนี้มาทัศนะที่บอกเป็นคำพูดนบียูซุฟนะอุมาอุบาริอูนับสี่ อินนั่นนัฟซาละอัมมาเราตุนบิสูนบียูซุฟพูดถึงนัฟสแปลว่าจิตใจจิตใจพื้นฐานของมนุษย์นั่นทำไมเอ่ยละอัมมาเราตุนบิสูเอนไปสู่ความชั่วในกุ๊อ่านพูดถึงจิตใจสามระดับพี่นอ้องจะก็ได้ยินนับสุนอัมมาระเนี่ย จิตใจผมจิตใจพี่น้องดําเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้ทําไมล่ะล่ะเอามาเราตุนพิสุเราจะเองไปสู่ความชั่วใจดําเดิมด ม, มันจะอยู่ตรงนะเองไปสู่ความชั่วความชั่วมันน่าทําพี่น้องมันสวยงามมันน่าทํามันสนุกคนก็เลยเองไปสู่ความชั่วนะครับอันนี้นะบิยูซุพูดเองนะมาอุบาริอุนอับสี่ฉันเนี่ยไม่ได้ทำให้จิตใจตัวเองบริสุทธิ์ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยเดิมๆแล้วมันจะเอามาเราตุนพิสุ มันจะเองไปสู่ความชั่วฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความไม่ดีในในอะไรละ่ะในสังคมเนี่ยต้องกระจายธรรมชาติของมันด้วยพวาคนลึกๆแล้วอยากทำชั่วนะฉะนั้นจะพูดยังไงจะนำเสนอยังไงให้กันตรงนั้นก็อ่านย้ำพูดถึงจิตใจอีกสองระดับสูงขึ้นมาจากนับสุนอมารรคือนับสุนลาวามะ้ อยู่ไหนอยู่ในสุรที่ว่าเ ว, ะ ว, ะ ว, ะ ว, ะวะลาอุกสมุบินับสินลาวามะอรสาบาลต่อจิตใจที่ลาวามะจิตใจที่สูงขึ้นมาหน่อยอัมมาล้อนี่ทําไมเอ่ยเอ็นไปสู่ความชั่วแต่ลาวามะเป็นจิตใจที่ไต่ตรองตั้งคําถามตรงนี้ทําได้ไหมทําผิดไหมสมควรไหมอรรรษเห็นไหมบาปไม่ระดับที่สองระดับที่สูงไปกว่านั้น เรียกว่านับซุนมุตมาอินนะนะครับก็อ่านก็บอกเมกันยะอายะตูฮันนับซุนมุตมาอินมะนะจิตใจซึ่งสงบนิ่งพ้นจากความชั่วไปแล้วนี่คือสามระดับที่ถูกกล่าวในกูร์อาห์แต่ทางตระาวุปเนี่ยบางคนก็แบ่งเป็นเจ็ดระดับละเอียดไปอีกนะครับแต่ว่าเอาแบบที่มีตัวบทชัดๆในกูร์อาน์เนี่ยแบ่งเป็นสามอัมมาโรานับซุนอัมมาโรานับซุนลาวามะ นับสุนมุตมาอินนะนะพอไปถึงนับสุนมุต อ, อินมุตมาอินนาแล้วอลัลลอฮ์สรรเสริญชื่นชมนะครับวอให้กลับมาหาพระองค์ให้เข้าสวรรค์นะนับสุนมุตมาอินนะอยู่ในอายกาักษ์ก็อ่านคันนี้นบิยูซุบบอกว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยเอ็นไปสู่ความชั่วอิลลามันราฮิมอิลลามาราฮิมะรับบีเวนเซแต สิ่งที่พระเจ้าทรงเมตตาหมายความว่ า, าเราร้อเมตตาเราก็จะช่วยทําไมล่ะขัดเกลีจิตใจให้โอกาสให้แง่คิดนะครับเพราะว่าในอัจฉริยะข้ออ่านบอกว่าจิตใจสําคัญนะกัตอัฟละหามันจักกาฮาพูดถึงนัฟเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ซักกาฮาขัดเกลาจิตใจวกัตบกัตดคอบมัญจาซาฮา คนที่หายนะคือคนที่ปล่อยให้จิตใจมันหมุนมองให้มันจมอยู่ในความชั่วดรัาธาเนี่ยคนแบบนี้หายนะจิตใจเป็นประเด็นสำคัญนะครับนะนาะียุซุกบอกว่าถ้าพระเจ้าของฉันไม่เมตตาเนี่ยนะใจของฉันก็จะเอ็นไปสู่ความชั่ว เวลาที่เรามองไปในปติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้านเบญองกลับไปดูประเด็นนี้เนี่ยในอายะที่ 20, 24ก็อ่านพูดไว้น่าสนใจวารากอตฮัมมัดบีฮีวาฮัมมับีฮาตอนที่สุไยคอร์ยู่วยูนบียูซุปเนี่ยนะครับฮัมมัดบีฮีนาะงสุไรคอมีความรู้สึกต้องการนบียูซุปฮุวาฮัมมับีฮาตัวเนี้ยแปลยากและยูซุปก็มีความลักษณะแบบนี้กับนางเหมือนกันแต่ว่าเราลาอันระอา อันเราอมเราะวานะอัลลอ์ให้เห็นหลักฐานของพระองค์ให้แง่คิดให้นบียูซุฟฉุกใจขึ้นมาก็เลยไม่เอนไปสู่ความชั่วนั่นคือพอมาอ่านอญญายานี้ถึงทราบว่านั่นคือสิ่งที่อิลลามารฮิมรับบีอัลลอฮ์เมตตาต่อนบียูซุฉะนั้น เราทุกวันนี้พี่น้องมีน้ำสุนอมารอจิตใจที่เองไปสู่ความชั่วแต่ว่าเราไม่ได้ทําความชั่วให้ทราบเถอนั่นคือมารอใหิมารอบบีนั่นคือสิ่งที่อลัลลอฮฺเมตตาความเมตตาของอัลลอฮฺมีเต็มไปหมดพี่น้องหนึ่งในความเมตตก็คือพี่น้องเกือบจะทําความชั่วแต่มีอะไรกันแล้วแต่มากัน้นพี่น้องไว้ไม่ได้ทําความชั่วมีเพื่อนมาดึงไว้ มีพ่อแม่ไปเห็นพอดีมีคนเห็นแล้วอายมนีนู่นมีนี่พอดีสุดท้ายไม่ได้ทําความชั่วตรงนั้นอิลลามาราฮิมารอ บ, บีให้ทราบว่านั่นคือความเมตตาของล ะ, นะในชีวิตผมแต่ถามตัวเองมีหลายครั้งแล้วจะหลุดไปแล้วแต่ว่าอาลอลลอฮฺเมตานะครับพี่น้องขนาจะมีในอดีตจะทําความชั่วอยู่แล้วแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะสุดท้ายไม่ได้ทําให้ทราบว่านั่นคือความเมตตาของออลลอฮฺเหมือนนบิยูซุปเลย วลนเราก็หัมมัดบีฮีว่าหัมมับิฮานะมีความรู้สึกหัมม่ายังไม่ถึงกับบาปนะแต่มีอะไรขึ้นในใจเหมือนกันแต่ว่าเราลาอันรอาฮูเราลาอันรออาบรูฮานนะอัลลอฮ์ให้หลักฐานให้อะไรบางอย่างมาดึงนบียูซุฟกลับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยนบียูซุฟเนี่เป็นนบีนะพี่น้องยังพูดถึงประเด็นนี้ยังยอมรับว่าจิตใจเดิมๆของคนนั้นเองไปสู่ความชั่ว มุสีมถึงต้องอยู่เป็นสังคมไงพี่น้องเวลาผมหลงพี่น้องดึงเวลาพี่น้องหลงผมดึงต่างคนต่างหลงอา้าวช่วยกันนาะสี่หัดนี่แหละต้องอยู่เป็นสังคมนะครับอา้าวต่อมาในอายะที่ห้าสิบสี่วกอลันมะลิกูกษัตร์ก็กล่าวว่านะอันนี้ ห้าสบสองหสิบสามเนี่ยเคลียคดีที่อยู่ในคุกทั้งหมดแล้วยูซุปไม่มีความผิดน า, นาร์โไลคอยอมรับโดยตัวเองพยานคือผู้หญิงในเมืองทั้งหมดเคลียรทุกอย่างบริสุทธิ์แล้วเพราะนาบียูซุปตั้งเงินไขไว้ถ้าจะออกจากคุกไม่ได้ออกเพราะว่าชาฟาอะมาถึงกษัตริย์ใช้อำนาจพิเศษช่วยเหลือออกไปตั้งตำแหน่งจะออกจากคุกก็ต่อเมื่อตัวเองมีความบริสุทธิ์ตรงนี้สำคัญมากพี่น้อง นะเพราะว่าทําไมล่ะวันหนึ่งนาียูซุปสมมติออกจากคุกแล้วประเด็นยังไม่เคลียร์นะผิดจริงไม่ผิดจริงเวลาได้ดิบได้ดีมีคนอิจฉาใส่ร้ายขึ้นมาทํายังไงเช่นผมเนี่ยสมมติผมอิจฉานาียูซุปนะสมมตินะยูซุปเนี่ยพอได้ดิบได้ดีก็บอกว่าอ๋อยูซุปที่ได้ดีนั่นแหละตะก่อนมีคดีกับเมียเจ้านายตัวเองอ้าว เราจริงไหมล่ะจริงไหมจริงไม่รู้แต่ว่ามีฉีกเสื้อฉีกผ้ากันอ้าวพูดให้คนคิดสองแง่สองมุมอ้าวแล้วก็ปั้มไหมล่ะปั้าไม่ปั้าไม่รู้แต่วางติดคุกตั้งหลายปีที่พูดมาเนี่ยไม่ได้โกหกเลยแต่ว่ามันจะสร้างความสงสัยแล้วก็เป็นข้อขรอหาให้กับผู้คนวิธีจะทําให้คนสงสัยเยอะแยะไม่ต้องโกหกเลยยูซุปมีข่าวกับเมียเจ้านัดตัวเองจริงไหมจริงแต่ว่ายูซุปมันได้ผิดแค่มีข่าว ถึงขั้นฉีกเสื้อกันเลยเนี่ยจริงไหมจริงแต่ในยูซุปไม่ได้โดนฉีดโดนฉีกไม่ได้ไปฉีกเขาแล้วก็จริงไหมจริงไม่รู้และแต่วันติดคุกตั้งหลายปีติดคุกจริงไหมจริงพูดจริงหมดเลยแต่สร้างความสงสัยในใจผู้คนได้นปียูซุประวังประเด็นตรงนี้มากฉะนั้นจอจะคุกต้องโดยสุดทุกอย่างหลังจากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองแล้วกษัตรบบิย์บอกว่าอูตูนบีฮี นำเขามาหาฉันนำยูซุปมาหาฉันกษัตริย์ผู้เองนะอสตัคดิสคู l ลีนัปซีฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ใกล้ชิดฉันอิสเตคลาสเนี่ยนะครับในที่นี้คืออิเจอันทูคอสันบีก็คือว่าตั้งให้เขาเนี่ยมีตำแหน่งเฉพาะใกล้ชิดกับฉันนี่นะครับถามว่ากษัตริย์คนนี้ทำไมเอย่ย คิดยังไงถึงตั้งนบิยูซุปเป็นผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์คุณสมบัติของนบิยูซุหลายประการหนึ่งเป็นคนที่มีฮิกมะฮิกมาแปลว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจสถานาการณ์เข้าใจเหตุการณ์เข้าใช้วิธีแก้ไขยูซุปมีฮิกมาพิสูจน์ในหลายหลักการในหลายเหตุการณ์จะพ้นจากคุก แต่ว่ายังไม่ออกต้องเคลียร์ตัวเองก่อนน บ, บียูซุสมีเอลมูลมีความรู้ชัดเจนที่สุดที่ปรึษาก็หมดตีความความฝันกษัตริย์ไม่ได้ยูซุไม่ใช่แค่อธิบายความฝันได้นะั้นน บ, บียูซุสให้ทางออกด้วยจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไง เก็บสเบียงแบบไหนแบ่งกี่ส่วนกี่ส่วนเหลือไว้ทําทุนปลูกในปีต่อไปกี่ส่วนเหลือไว้กินแนะกระทั่งวิธีเก็บวิธีเก็บเนี่ยอย่าเอาเอามันออกจากรวงข้าวมเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในในฝักมันไว้แนะข่าวนั้นยูซุปเป็นผู้ที่มีความรู้ต่อมานะีมียูซุปเป็นผู้ที่อดทนติดคุกเนี่ยพี่น้องทั้งๆ้ ง, ท, งที่ไม่มีความผิดจะเป็นห้าปีเจ็ดปีสิบสองปีกันแล้วแต่ อดทนจนกระทั่งพิสูจน์ตัวเองได้ยูซุปมีมารยาทดีเวลาพูดกับกษัตริย์เวลานําเสนอต่างๆเป็นคนที่มีมารยาทดีเป็นพยานทั้งหมดแหละนาสุไลคอกเ็เป็นพยานได้เป็นซิกดีเป็นซอเดกินผู้หญิงในเมืองก็เห็นนบิยูซุปยอมรับนบิยูซุปเป็นผู้ที่มีมารยาทดีและที่สําคัญที่สุดนบิยูซุปเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดแล้วก็พึงจะพิสูจน์ความผิดตรงนี้ ฉะนั้นด้วยกับลักษณะต่างๆเหล่านี้อัสตักลิสคูลีนับซีฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้กล้าชิดกับฉันนี่กษัตริย์นะครับบอกแบบนี้ฟารา ม, มากันละมะหูนาเมื่อยูซุปได้พูดกับกษัตริย์นาบียุซุปได้พูด ก, กษัตริย์พูว่าไงครับก็อล่ะ <c oughs> อันนี้ยูซุปไม่ได้พูดนะอัฟันนะครับกษัตริย์เมื่อกษัตริย์ตั้งใจในในใจว่าจะทำไมต่้งตั้ ง, งนายยูซุปให้เป็นผู้ที่ที่กายชิดแล้วก็มาเจอนบยยูซุปแล้วเนี่ยกษัตริย์พูดแบบนี้ก็ล่ะอินนากันเยลมาวันนี้เนี่ยยูซุปเอ๋วันนี้เนี่ยละแดนอินนากันเยามาละแดนนามากเคนนุนอามีนคุณเนี่ยจะได้รับจากเรามากิน ตำแหน่งที่สูงอามีนแล้วก็ผู้ที่ไว้วางใจเพราะอะไรล่ะถ้าพิจารณาถึงประวัตินบิยูซุปนบิยูซุปไม่ใช่คนพื้นที่เป็นเป็นอิสราเอลบรรดอิสราเอลทุนบียะกูถูกขายเป็นทาสมาจากที่อื่นแล้ววันนี้มาอยู่ในต่างต่างถิ่นมีคดีติดคุกทั้งทังที่ไม่ได้ผิดแต่วันนี้กระส์บอกว่า ฐานะของคุณในแผ่นดินอียิปต์ทำไมเอ่ยเป็นมากีนนอามีนจะได้รับที่อำนักนะครับนะได้ที่อยู่ยันมั่งคงและก็เป็นผู้ที่บุคคลไว้วางใจได้นี่คือสิ่งที่นบียุซุปรับในในแผ่นดินอีกินี่คือขอ้ข อ, ขอเสนอข้อเสนอขเนอขอเนอขอสนอขอเอข้อเอข้อเส้งใหน้อเสนอ้อเสนอนอข้สนอข้อเด้สนอ้ส ถ้าพูดภาษาปัจจ ah ุบันเศรษฐีพลเมืองอยู่ได้แบบคนอียิปต์เลยไว้วางใจได้แล้วก็ได้รับตำแหน่งที่สูงส่งด้วยได้ดีบได้ดีด้วยนี่คือคำพูดของกษัตริย์ก exactly. ่อนน่ะนบียซุฟกล่าวว่าอย่างไงอิจอันนีอ阿拉ข้อซาอินินอัลลดีอินนีฮะฟิซุนอัลีม นบียูซุฟบอกว่าให้แต่งตั้งฉันควบคุมคอซาอินินอารอดีคลังของแผงดินเพราะว่าฉันนั้นฮาฟีซุนไว้วางใจได้อารีมเป็นผู้ที่มีความสามารถตำแหน่งที่กษัตริย์คิดไว้ในใจคือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดยูซุฟเป็นคนดีมีความสามารถไว้ใจได้ให้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมองไว้แค่นั้นยังไม่ได้กําหนดตําแหน่งชัดๆนะเอาไว้ใกล้ชิด แล้วก็ให้ฐานะให้ความไว้ว า, างใจแต่นบีซุก ข, ขออีกอันหนึง่งแต่งตั้งฉันให้เป็นคนดูแลครังแผ่นดินนี่จากตรงนี้เนี่ยนะครับอุลมะมองว่าการที่คนที่มีความสามารถเสนอตัวเองเพื่อตำแหน่งเนี่ยถือว่าไม่ผิดนะหมายความว่าถ้ามีการเลือกตรงเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับกรรมการอิสลามอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เสนอตัวเองเนี่ย เลือ ก, เ ล, อกเลือกผมไมมอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ผิดนะครับถ้าตัวเองเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมแะมีความสามารถสามารถเสนอตัวเองได้แต่น บ, บียูซุฟตอนที่เสนอตัวเองเนี่ยพูดไว้สองประเด็นคืออินนีฮัฟิซุนอาลีมฉันมีคุณสมบัติสองประการหนึ่งคือฮัฟิษฮัฟิแปลว่าฮัฟิซอแปลวารักษาในที่นี้แปลว่าไว้ใจได้คนจะดูแลครังแผ่นดิน คุณสมบัติต้องเหมาะกับตาแหน่งด้วยนะต้องเป็นคนที่ขาฟีสเป็นคนที่ไวไวจะไววางใจได้เป็นผู้ทูแเก็บรักษาเพราะทำไมล่ะตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันในข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติระดับชาติเจ็ดปีจะสมบูรณ์เจ็ดปีต่อมาจะเพาะปลูกไม่ได้เกี่ยวกับปากท้องพี่น้อง ตายกันทั้งประเทศฉะนั้นนบิยูซุปมองว่าถ้าปล่อยคนอื่นไปดูแลเนี่ยบางทีทำไมเอ่ยไม่ได้มีความเข้มงวดไม่สามารถผ่านเวลาเจ็ดปีแห่งความแห้งแล้งได้เป็นประเด็นใหญ่นะพี่น้องนะครับฉะนั้นฮาฟิสแต่งตั้งฉันฉันเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์จะดูแลคังของแผ่นดินคุณสมบัติที่สองอาลีม เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่รอบรู้ตรงนี้ไม่มีใครเถียงเลยเพราะแผนการในการบริหารคางของประเทศนา บ, บิยูซุปเป็นคนกำหนดกษัตริย์ฝันแบบนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนาย บ, บิยูซุปเป็นคนตีความความฝันได้แล้วก็ น, นำเสนอทางออกฉะนั้นต่อไปเนี่ยในสังคมมุสลิมถ้าได้แง่งคิดจากประวันย บ, บยูซุนาเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นกรรมการเป็นคอเตตเป็นบิลัน กล้าพูดแบบนี้ไหมเลือกฉันแล้วกันอินนีฮาฟีจุนอาลีมขอสองลักษณะพอหนึ่งฮาฟีสไว้วางใจได้แบบนบียูซุฟอลัยสลาบข้อเต็มมีหลันกรรมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮาฟีสมีลักษณะ น, นี้ไหมรู้ได้ยังไงว่านบียูซุฟไว้วางใจได้เพราะขนาดผู้หญิงมายั่วตัวเองเนี่ยยังไม่เอาเลยไว้วางใจได้ไม่เคยโกหก ยอมติดคุกไม่ยอมอยู่ในความผิดประเด็นที่สองอาลีมเป็นผู้ที่มีความสามารถต่อไปเวลาจะเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ในสังคมมุสลิมเนี่ยผู้ที่จะเลือกตั้งผู้ลงสมัครลงสมัครได้ไหมไ ม, ไม่ไม่บาปนะลงได้เสนอตัวเองได้น บ, บีอิสูปเคยทำเหมือนกันกอลิจานีอาลาคาซาเอ็นนอารับตี <ti> เสนอตัวเองแต่งตั้งฉันสิเลือกผมสิผมจะดูแลคังแผ่นดินผมไม่ได้ไปหาเสียงนาพูดเลยฟังนะครับแต่ว่า ตอนที่เสนอตัวเองขอให้ผู้สมัครพูดสองลักษณะอย่างเต็มปากได้ไหมว่าฉันคือฮาฟิสไว้วางใจได้และฉันคืออาลีมเป็นผู้ที่มีความสามารถนี่คือแนวคิดที่ได้จากได้จากนบยยูซุอัลฮิสลาหนะอา้าวต่อมาพี่น้องนะครับพูดถึงเนี่ยเชยมากกว่า น, นบยยูซุไม่เชยนะถ้าเปรียบเทียบกับ การรับตําแหน่งการเมืองในปัจจุบันจะเป็นการเลือกตั้งกันแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ยังเป็นประเด็นที่ใช้ได้นบียูซุปก่อนจะรับตําแหน่งเคลียรประเด็นจริยธรรมตัวเองไม่ได้มีคดีติดไม่ได้มีความผิดไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แม้จะถูกกานแกล้งทางการเมืองให้ติดคุกตั้งเจ็ดปีสิบสองปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้พ้นโทษมาแล้วเนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่มีความผิดให้ ความสําคัญกับประเด็นจริยธรรมมากฮัฟิสปัจจุบันเวลามีเกมการเมืองเลือกตั้งอะไรกันแล้วแต่เนี่ยประเด็นจริยธรรมบางทียังไม่เคลียร์ยัยมีความผิดอยู่ยังมีเกี่ยวพันกับคดีด้วคดี น, ดดนี้ประเด็นที่สองคืออาลีมเป็นผู้ที่มีความสามารถสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องถ้าดูข่าวเนี่ยอันนี้ผมพูดเลยไปนิดหนึ่งนะครับการเลือกตั้งที่มาเลเซียโอ้โหน่าสนใจมากนะ มหาเดชกลับมาชนะอีกแล้วก็เกมมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นลูกศิษย์ตัวเองแล้วก็มีประเด็นคอรัปชันคนมาเลยมายอมรับมหาเทกับมาชนะอีกกลับมาชนะร่วมมือกับฝ่ายค้านซึ่งแต่ก่อนมีปัญหากันจับมือกันอันดวไอบ์รอฮีมภรรยาไ อ, าอบ์รอฮิมเนี่ยศัตรูทางการเมืองที่ทํำสามีติคุก ยอมมาอยู่ฝ่ายเดียวกันเพื่อร่วมมือกันเอาชนะฝ่ายนายิบก็คือน่าสนใจนะครับ92แล้วนาชนะการเลือกตั้งอีกถือว่าอายุยืนประเด็นน่าสนใจมากแต่ผมไม่แตะยาวแล้วกันนะครับเพราะว่าอยาจะออกนอกประเด็นมากกว่านี้แต่ว่าที่มาแตะประเด็นการเมืองเพราะว่าถ้ามองนบิยูซุปไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วมีแง่คิดบางประการสามารถนํามาใช้ได้ในการเมืองปัจจุบันประเด็นความสามารถประเด็นจริยธรรม นะครับแล้วก็ทำไมล่ะการเสนอตัวเองเพื่อรับตำแหน่งแล ะ, ะหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำได้ในอญญายะห์ที่ห6ต่อไปนะครับวากดาลิกามักกันนาลิยูซุฟาฟินอารดีเช่นนั้นแหละอลัลลอ์บอกว่าเราให้ยูซุฟนั้นทำไมเอย่ยมีที่พำนักบนแผ่นดินมักกันนาลิยูซุฟ่าฟินอาร์ดี ทำไมอลัลลอฮถึงพูดย้ำเหลือเกินว่าให้ยูซุฟอยู่ในแผ่นดินกษัตริย์ก็บอกว่าอินนักันยามาลาเดนามาเกนนอามีนณวันนีนะ้คุณมีที่พักที่ทพำนักที่อาศัยแล้วนะเพราะว่าทำไมเอ่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะยูซุฟเป็นคนต่างเด้าไม่ใช่คนอีกเป็นเป็นบนัญญัติซออิลมาจากท่าถูกขายแล้ววันนี้ทำไมเอ่ยได้รับตาแหน่งใหญ่โตกว่าคนพื้นที่บางคน อัลลอฮ์บอกว่าด้วยกับเหตุการณ์ทั้งหมดนบียูซุฟพิสูนตัวเองได้แล้วอัลลอฮ์บอกว่ากาซาลิกามักกันนาลียูซุฟฟารฟินอาร์ดีวันนี้ให้ยูซุฟมีที่พำนักบนหน้าแผ่นดินเพราะว่าทําไมล่ะหลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ยูซุฟนาแต่พี่น้องของนบียูซุฟก็จะมาทั้งหมดมาอาศัยอยู่กับนบียูซุฟหลังๆพี่น้องไปนบียูซุฟจะเชิญพี่น้องทั้งหมดเชิญพ่อมาด้วยเชิญครอบครัวมาด้วยมาอาศัยที่อียิปต์ ที่การอ่านอยู่ไม่ได้แล้วมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นฉะนั้นบันิอิสร อ, อีนก็เลยสามารถมาอยู่ที่อียิปต์แล้วก็มีลูกมีหลานกันได้มีฐานะเท่ากับพลเมืองเลยทําไมละ่ะน บ, บียูซุฟวางไว้ดีเป็นผูดด้ที่มีความสามารถพี่น้องน บ, บียูซุฟก็เลยได้รับอนุญาตให้มาอยู่ที่อียิปต์มีลูกมีหลานบันิอิสร อ, อีนอยู่ในอียิปต์ อย่างมีศักดิ์ศรีจนกระทั่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากมาริกกลายเป็นฟร์เอานะหลังจากนั้นบนทิซออินก็กลายเป็นาแต่สมัยทียูซุปอยู่กันดีไม่อยู่กันดีพอสมัยฟร์เอลแล้วเนี่ยทาไมการปกครองเปลี่ยนแปลงนะอนาณาจักรข้างล่างบนันทิ์อาณาจักรข้างบนนะมาริกไม่มีแล้วกลายเป็นฟรเอล ควบสองณนาจักเป็นหนึ่งเดียวบรรณีซลออินกลายเป็นทาสแล้วก็นบีมูซาก็กดปล่อยชาวบรรณีซลออินไล่ ย, ยาวไปเลยแหละนบีดาวุฒสุไลมานไล่ไปนูน่นแต่ว่าสาเหตุที่ทําไมบรรณีซลออินทําไมไปเป็นทาสที่อียิปต์ล่ะนี่เนะี่ยนบียูซุปเอามาอยู่สมัยนั้นแต่สมัยนบียูซุปอยู่กันดีนะเพิ่งจะเป็นทาสหลังจากนาบียูซุปไปแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากาดาริกมักกันนาลียูซุฟ่ฟินอาร์ดีเช่นนั้นแหละ เราให้ยูซุปได้พำนักอยู่ในแผ่นดินอิยะตะบาว่าอุมินฮาไฮซุยชาเขาจะอยู่ที่ใดก็ได้ตามที่เขาประสงค์นะครับนูซีบูเบลมาตินามันนาชาอาลัลลอ์บอกว่าเช่นนั้นแหละทำไมเอย่ยบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นจะได้รับ ความเมตตาจากเราว่าล้นูดีอูอาจรย์มุฮซินีนเราไม่ทําให้ผลบุญภาคผลของคนดีเนี่ยสูญหายถ้าพี่น้องดูประวัตินบิซุปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นช่วงที่ลำบากได้รับการทดสอบนบบซุปถูกทดสอบมากหลังจากนี้จะได้ดีสบายแล้วเป็นเด็กพี่น้องถูกความริษยาของพี่น้อง โยนไปในบอ่อเด็กเล็กๆนายพี่น้องมาอยู่ในบ่อเนี่ยผู้ใหญ่น่ะลิบค้างสองนาทีพี่น้องใจเสียแล้วเคยมาห ล, ลับลิบค้างไฟตกลิกค้างสองนาทีนั่นแหละใจเสียเด็กเล็กๆคนหนึ่งถูกโยนไปในบอ่อถูกขายเป็นทาสถูกแผนการของบรรดาผู้หญิงติดคุกทั้งๆที่ไม่มีความผิดผ่านการทดสอบทั้งหมดมานายบียุซุปพิสูจน์ตัวเองด้วยกับความดีแล้วกับความสามารถ อันนี้เป็นแง่คิดมากคนที่ถูกกันแกล้งถูกทดสอบทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายอาลัลลอ์บอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเวลาณอูดิออัจย์มูซีนีนภาคผลของคนดีอลัลลอฮ์ไม่ทำหายไปไหนคนที่ถูกทดสอบไปน้องอ่านอายานี้แล้วให้มีกำลังใจลำบากมากี่ปีเอา้าถูกโกงที่โดนนูน่นโดนนี่แต่วอดทนนานทาความดีสม่าเสมอ ผ ม, มเมื่อด้๋ยวพูดเอาล็อบอกว่าอัจรอนมอสีนีนทำไมละ่ะภาคผลของคนดีไม่หายไปไหนไม่ใช่หมายถึงอาคิรอนนะเพราะอายาตต่อมาพูดถึงอาคิรอนในอายาที่ห้าสิบหกพูดถึงภาคผลในดุนยานี่แหละภาคผลของนบบยูซุปในดุนยาคืออะไรสามารถอยู่ในแผ่นดินใหม่นี่ได้อย่างสบายใจมีทั้งตําแหน่งมีทั้งหน้าที่มีทั้งศักดิ์ศรี โนซีบูบิรามตีนามันนาชาเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้กับ น, นบียุซุฟหลังจากผ่านการทดสอบทั้งหมดมาลแล้วเราบอกว่านี่แหละผลภาคผลของคนดีอลัลลอฮ์ไม่ทําหายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในดุนยาทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นในชีวิตเนี่ยการทดสอบมีเยอะพี่น้องนบียุซุฟก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกทดสอบเยอะมาก แต่สุดท้ายแล้วความดีตรงนั้นไม่หายไปไหนเป็นผู้ที่พาอียิปต์รอดพ้นวิกฤตแห่งความขาดแคลนเพราะปลูกอะไรไม่ได้เลยเจ็ดปีที่อื่นอดอยากกันหมดนบียูซุฟพาคนไม่ใช่เก่งคนเดียวนะพาคนทั้งประเทศเนี่ยรอดไม่อดตายนอกจากนี้สเสบียงที่นบียูซุฟเก็บไว้ยังสามารถมีพอที่จะแจกจ่ายให้กับคนอื่น ที่เดินทางมาขอสเสบียงได้ผลงานตรงนี้นะครับเวลาต่อไปถ้าพี่น้องเห็นผนงานในบิยูซุปเนี่ยกลับมามองที่อายาเมื่อกี้ที่เราผ่านไปอายาที่ห้าสิบสี่เนี่ยจะทราบว่าสิ่งที่นบิยูซุปพูดก่อนจะรับตําแหน่งเนี่ยจริงก่อนจะรับตําแหน่งนบิยูซุปบอกว่าอินนีคาฟีซุนอาลีมแต่งตั้งฉันสี่ให้เป็นคนคุมคลังแผ่นดินฉันเป็นผู้ที่ฮาฟี สือสัตว์อลีมเป็นผู้จะมีความสามารถแล้วก็ผลงานต่อมาพิสูจน์ว่าสิ่งเตอนบิยุซุฟพูดเป็นความจริงนี่บรรยากาศการเมืองแบบอิสลามต้องเป็นแบบนี้ฮาฟิสอลีมแล้วก็จริงอย่างที่พูดนอกจากการตอบแทนในดุนยาแล้วเนี่ยนะครับอลัลลอห์กล่าวต่อไปว่านะครับวัละวละอัจญุนอาคิร์คอยอนลิลลาดีนาอามานูเมื่อกี้พูดถึงภาคผลในดุนยา เ อ, อเลบอกว่าและผลตอบแทนในอาเคิรอนั้นใครรุ่นดีกว่าสิอีกสิ่งที่นบียุซุฟได้ในในดุญญนยาเนี่ยเยอะนะได้ตำแหน่งผู้คุมกองคลางซึ่งตอนนั้นมีอำนาจใหญ่ที่สุดแล้วเพราะทำไมล่ะประเด็นที่ประเทศกำลังเจออียิปต์ตอนนั้นกาลังเจอเป็นประเด็นปากทอง นบียูซุปไม่ใช่คนอียิปต์แต่มากุมอำนาจในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนอียิปต์ประเด็นปากท้องถือว่าได้เยอะแล้วมีเขาเรียกว่ามีฐานะมีความไว้วางใจพี่น้องนึกถึงสถานภาพของนบียูซุปหลังจากรับตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใครก็ซาทั้งหมดผู้หญิงในเมืองทซาททั้งหมดยูซุปรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเอง ไม่เสื่อมเสียเลยในประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงเพศตรงข้ามนี่ไม่เสียเลยนะถามว่ารอไม่รอมากถ้าพี่น้องดูในสังคมงคนรอเนี่มีประเด็นจะเสียคนเยอะนาิยูซุปไม่เลยรอธรรมดารอมากรอบบอเ ม, ออมเชเฉียนตัวเองแต่ไม่เสียประเด็นเรื่องผู้หญิงเลยเป็นคนที่มีตาแหน่งหน้าที่แล้วก็เป็นคนดีและก็รอด้วยพี่น้อง คนในเมืองอียิปต์ให้เกียรติน บ, บียูซุปมากจนกระทั่งว่าเอาพี่น้องเอาพ่อแม่ทั้งหมดมาอยู่ที่อียิปต์คนก็ยัดตอมระบรรดิสราอินอาลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยพี่น้องก็ยังสามารถอยู่ในอียิปต์ได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งว่าฟิละเอนนี่แหละมายึดแผ่นดินอียิปต์แล้วลคั้เป็นประเทศบรรดิสราอินกลายเป็นทาสแต่สมัยน บ, บียูซุปแล้วก็ลูกเนี่ยถือว่าอยู่สบายทําไมล่ะเพราะน บ, บียูซุปทาไว้ดี ไม่ได้เก่งอย่างเดียวเป็นคนดีด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเอาคนรอดโคลนจากวิกฤตความอดอยากด้วยเกียรติในเ บ, บยุซุขได้ในดุนยาทั้งหมดเยอะอย่างเยอะแล้วแต่เราบอกว่าโอ้โหาอัจริุนอาคิราะแต่ผลบุญที่จะได้ในอาคิราะเนี่ยใครรุน่นดีกว่าสิอีกดุนยญญาที่ได้เยอะเนี่ยอาคิราะได้เยอะกว่าอีกลิลลาดีนาอามานูสําหรับคนที่ศรัทธา วาการูยัตตะกูนศรัทธาแล้วพวกเขาก็เป็นผู้ที่ยำเกรงนบิยุซุศรัทธาน่ะเวลาที่พูดถึงความสามารถตัวเองพี่น้องนบิยุซุถมตนมากไม่เคยบอกตัวเองเก่งเลยตอนที่ทำนายฝันเนี่ยชายสองคนเพื่อนนบิยุซุติดในคุกให้ทำนายฝัน ทวสุป่าว่าที่ทำนายทั้งหมดเนี่ยอัลลมันีรบบีพระเจ้าชันสอนฉันไม่เคยตะกรับบดนะทำไมล่ะยกตรงนี้ว่าอัลลอสอนฉันฉันถึงมีความสามารถตอนที่ตัวเองบริสุทธิ์จากความชั่วไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนดีอิลลามันรฮิมารบบีพระผู้พิบาลของฉันเมตตาต่อฉันที่ฉันพ้นจากความชั่วไม่พลาดในความชั่วไม่ใจฉันดีนะ ความดีถ่อมตนนบีน้องแต่ว่าอัลลอฮฺเมตตาต่อฉันนี่คือนบียูซุฟอะเลฮิสลาฟถ่อตนมากงามข้างนอกแล้วก็งามข้างในแล้วก็มีมารยาทดีดีนบียูซุฟอะเลฮิสลามเนี่ยนะครับทําไมเอ่ยเป็นตัวอย่างอาบดุลลาห์นะเพราะว่านะับร่างอื่นนบีนองไม่มีประวัติ น, นบีไหนละเอียดแบบนบียูซุฟไม่มีเลย เอาน บ, บีมูซาก็มีเหมือนกันรายละเอียดแต่ว่ากระจายอยู่ในซุร้อนนี้ซุร้อนนู้นซุร้อนนี้กระจายกันไปแต่น บ, บียูซุปเนี่ยเพียวๆเพราะว่ามีเหตุการณ์ตั้งแต่เด็กถึงตอนจบเนี่ยมาไว้ที่ซุร้อนเดียวต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นเราต้องได้ประโยชน์จากชีวประวัติน บ, บียูซุปก็อ่านไม่เคยพูดถึงใครในลักษณะที่เป็นชีวประวัตินะน บ, บีอุมัดก็มี อยู่กระจายหน่อาญาน้นอาญานี้นบีนุมไม่มีมมอาญาโน้นอาญานี้กระจายกันนะแต่นบียุซุปเป็นลําดับต่อเนื่องกันมาแล้วก็ให้รายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเป็นชีวประวัติที่สมบูรณ์ฉะนั้นเวลาอ่านแล้วเนี่ยต้องได้แง่คิดคนดีๆคนประสบความสําเร็จเขาทําอะไรถึงประสบความสําเร็จในอาญะนี้ที่เห็นเนี่ยพี่น้องก่อนจะรับตําแหน่งทางการเมืองจะขึ้นไปมีอํานาจเนี่ย นาบียุซุฟเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนถึงทำหน้าที่ตรงนี้ได้หลังจากเขาอ่านเล่าถึงบ่าวานนบียุซุฟแล้วผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วก็ได้ดีเนี่ยเอาลอให้กำลังใจกับผู้ศรัทธากำลังใจครั้งที่หนึ่งบอกว่าอัจรอนมอศินีนการตอบแทนของคนดีเนี่ยในดุนยานะ่ะไม่หายไปไหน มันนุดมันลืมกันหมดเลยพี่น้องเราเคยทาดีกับใครว่าบางทีเขาก็ลืมนึกไม่ออกบางทีเขาก็ใจผิดอะไรกันแล้วแต่ใครทําหายไม่รู้แเละแต่อัลลอฮฺไม่ทําหายลาอูดิอูอัจรอนมุฮซินินฉะนั้นสิ่งดีๆที่พี่น้องทําใน d ุ n y a ในดุ n y า, านี้ไม่หายอัลลอฮฺไม่ทําหายในขณะเดียวกันอาคิราะที่จะได้คอยรุ่นดีกว่าได้ทั้ง d ุ n y าและก็ อ, อาคิราะ ท่าพี่น้องทาไมเอ่ยลนลาดีนาอามานูเป็นผู้ศรัทธาวากานูยัตตะกูนและพี่น้องก็ยำเกรงต่อละผละบุญทั้งดุนยาและอาคิร้อหายไหมไม่หายนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากประวัตินบียูซุฟในวันนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเหตุการณ์มันจะพิกละนบียูซุฟได้ดีใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องที่เคยโยนนบียูซุฟลงบอลเนี่ยอดอยากและเข้าสู่ปีแห่งความอดอยาก หลังจากนี้เจ็ปีนายยูซุปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองในประเด็นของกองคลังเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเก็บสเปียงได้เต็มไปหมดเลยกินเกินเจ็ดปีก็ไม่หมดพอพ้นเจ็ดปีไปแล้วทําไมล่ะอียิปต์แห้งแรงแต่มีกินเพราะมีสบียงเก็บไว้แผ่นดินอื่นๆ น, นอกอียิปต์เนี่ยแห้งแรงหมดเลยคนมุ่งหน้ามาที่อียิปต์เพราะไม่มีจะกินมาหาสเปียงที่อียิปต์ที่อื่นใน ม, มีอียิปต์มีที่เดียวพี่น้องก็มาหาเนี่ย น บ, บียุซุบแต่ว่าจํานาบียูซุบไม่ได้เหตุการณ์ในสัปดาห์ต่อไปผมพูดคร่าวๆให้ฟังพี่น้องอาจารย์ไม่ได้ว่าเนี่ยนที่รวมหัวกันโยนลงไปในบอ่อเนี่ยแต่น บ, บียุซุบจาพี่น้องได้ที่สําคัญคือไม่แก่แค้นนี่หายากมากไม่แก่แค้นเหลือกี่ปีที่ผ่านมาโดนมาทุกอย่างเนี่ยเด็กหาจากพ่อไม่เห็นพ่อมานานกลายเป็นทงเป็นทาตวันนี้ได้ดีๆไม่แก่แค้นนะครับเป็นเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป สัปดาห์ในวันนี้ผมทวนเนื้อาหาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบกันในวันนี้ประมาณห้าหกนาทีนะในอายาที่ห้าสิบสองนบียูซุฟอธิบายว่าทำไมฉันต้องพิสูจน์ตัวเองนอกจากเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งหน้าที่ในอนาคตแล้วเนี่ยนบียูซุฟต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อคนคนหนึ่งก็คืออาซิสคนที่เคยซื้อตัวเองมาและก็ดีกับตัวเอง ฉันไม่เคยทรยศเขานะไม่เคยคิดไม่ดีกับภรรยาเขาวันนี้พิสูจน์ตัวเองนะครับในอัญญาที่ห้สบอเนี่ยอลัลลอฮจะบอกว่าอินนัลลอฮฺลายฮดีกากไกดันคอยอินินคนทรยศคนที่โกงคนที่ทุจริตจะมีแผนการไปตรงๆไม่ได้แต่แผนการเหล่านั้นอลัลลอฮไม่ชี้นำอลัลลอฮไม่นำทางให้สักวันหนึ่งมันก็จะเผยออกมา ในอายะห์ที่53สิบสามนาบิยูซุป พ, พูดถึงประเภทหนึ่งของจิตใจของนับนัซุนอัมมาราะจิตใจมนุษย์ที่โดยพื้นฐานแล้วเอนไปสู่ความชั่วผมกับพี่น้องมีจิตใจแบบนี้อยู่ฉะนั้นวันนี้ต้องมาคิดไตรตรองพิจารณาสิ่งต่างๆจิตใจอัมมาราะตรงนี้เนี่ยนะครับนับซุนอัมมาราะก็จะเลื่อนระดับเป็นนับซุนลาวามะคืออยากจะ อยากจะได้ของอยากจะขโมยอัมมาล่ะแต่ว่านับสุนละวามะทําไมละ่ะไต่ถามตัวเองว่าขโมยไปแล้วได้ไปแล้วอลร่อยเห็นไหมบาปไหมวังเกียร์มัตจะตอบสอบสวนยังไงอะไรยังไงเป็นนับสุนลาวามะแล้วถ้าวันไหนที่เราห่างจากความชั่วได้นับสุนมุตมะอินนะใจมันสงบเห็นมือถือแต่ก่อนเคยขยอยากขโมยใช่ไหมอัมมาร่ะแต่ปฏิมุตมะอินนะและสงบไม่ใจ้งของฉันมันจะ เ, นเอาทำไมละ่ะ ของเขาเนี่ยนำซุนมุตมาอินนะนะครับก็เส้นทางของการซักฟอกจิตใจเนี่ยก็อัฟละฮ์มันซักกาฮาคนที่ซักฟอกจิตใจคือคนที่ประสบความสําเร็จนะครับนบิยูซุปให้ง่คิดว่าจิตใจเองไปสู่ความชั่วโดยพื้นฐานดังนั้นต้องซักฟอกจิตใจตัวเองสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสมควรจะนะครับเนี่ยคิดก็คือว่าทุกครั้งที่พี่น้อง จะเอนสู่ความชั่วแล้วไม่ได้ทําความชั่วนั่นคือความเมตตาจากอัลลอฮฺมาบิยุสุบอกว่าอินลามาระฮิมารอบบีฉะนั้นสาเหตุเห็นความเมตตาตรงนี้ที่ยับยั้งพี่น้องจากความชั่วเนี่ยเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺนะฉะนั้นอย่ารังเกียจเพราะบางทีมันมาสบบัสาเหตุบางทีมาจากพ่อคนเตือน จะทำชั่วอยู่แล้วแต่มีคนมาเตือนอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขานั่นคือความเมตตาจากอัลลอมาจากเพื่อนวันที่จะทำชั่วอยู่แล้วมีคนมาเสือกพอดีทำไปลงคนเห็นอายไม่ต้องไปโกรธเขาเป็นความเมตตาจากอัลลอยับยั้งความชั่วผ่านมาคนคนนั้นนะครับการนาศัห้านเนี่ยพี่น้องเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺมาบียุบบอกเลย ใจิตใจเองไม่สูญความชั่วแต่อลัลลอฮฺเมตตาเลยไม่ได้ทําความผิดนั่นคือแง่คิดในอายะห์ที่ห้าสิบสามในอายะห์ที่ห้าสิบสี่เนี่ยนะครับพูดถึงกษัตริย์กษัตริย์คนนี้เป็นกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมนะก่อนจะแต่งตั้งใครถ้าพี่น้องมองในฐานะที่พี่น้องเป็นกษัตริย์เป็นบอสเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานก่อนที่จะแต่งตั้งใครเนี่ยพิจารณาคุณสมบัติเขาด้วย สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนะแล้วคุณสมบัติแบบไหนที่น่าจะแต่งตั้งคุณสมบัติแบบนันมียูซุพมีฮิกมะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีอิลมมนมีความรู้มีความอดทนมีมารยาททีด่ดีงามและก็มีความบริสุทธิ์ไว้ใจได้คนแบบเนี้ในสมัยก่อนเนี่ยบอสอะไรละ่ะมาลิกกษัตริย์ของประเทศแต่งตั้งคนแบบนี้เป็นผู้มีเกียรติชิมนั่นมองจากในฐานะหัวหน้างานนะ่ะ ต่อมานนยั ท, ที่ห้าิบห้ามองในฐานะคนที่จะรับตำแหน่งอิสลามไม่ได้ห้ามนะเสนอตัวเองรับตำแหน่งลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ผิดนายุซุปบอกกษัตริย์ว่าแต่งตั้งฉันสิให้แต่งตั้งฉันดูแลครังของประเทศเสนอตัวเองไม่ผิดแต่ว่าคุณสมบัติที่นายุลซุปเน้นสองประการ ก่อนที่จะขึ้นรับตําแหน่งรับอามานะจากผู้คนขอให้มีสองประการหนึ่งคือฮัฟิสไว้ใจได้สองคืออาริมมีความสามารถต่อไปจะเลือกตรงเลือกตัง้งถามสองประเด็นนี้พี่น้องมีไหมฮัฟิสเป็นอาริมไหมเป็นคนดีแต่แม่อาริมเนี่ยแย่มนกั น, เ, กนเอาขึ้นมาแล้วสื่อสัตา์แต่ไม่รู้จะทำไงดีเพราะไม่มีความสามารถนะครับนี่คนที่จะรับตําแหน่งเมื่อกี้คนที่จะให้ตําแหน่ง ต่อมาในอายะฮ์ที่ห้าสิบหกอัลลอฮ์พูดถึงผลบุญผลตอบแทนที่นบิยูซุฟได้ในโลกดุนยามักการ น, นาเลยูซุฟอา ฟ, ฟินอารดีอัลลอฮ์ให้ที่พมนักที่ปลอดภัยแก่นบิยูซุฟนะเช่นนั้นแหละนุซีบูบีรักมาตินามันนาชาพระองค์จะประสงค์ใอะครพระองค์ก็ให้มีอำนาจในการให้ตรงนั้นสิ่งตอบแทนที่นานบิยูซุฟได้ในวันนี้ทําไมเอ่ยเป็นอัจรอนมูฮซินีน เป็นการตอบแทนของคนดีๆไม่ใช่น บ, บียูซุฟคนเดียวนะอัจจิลล์มุฮซินีนคนดีๆทั้งหลายเนี่ยการตอบแทนไม่หายไปไหนเอาเราจะตอบแทนที่น บ, บียูซุฟได้คือได้พำนักอยู่ในอียิปต์อย่างมีเกียรติมีตําแหน่งมีศักดิ์ศรีซึ่งทําไมละ่ะสุดท้ายลูกหลานก็ได้รับตรงนี้ไปด้วยและอายาที่ห้าสุดท้ายนะครับสิ่งที่ได้ในดุนยาเยอะแล้วอาคาิลเยอะกว่าอีก ให้ศรัทธาให้ยำเกรงต่อเลาะเลาะเลาะจะให้ทั้งยุยยาแล้วก็อาคิร์นะครับวันนี้ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับวบริละลอิตะฟิกุนฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบะระกาตุอ่